คือนี้ความจริงคืนสรุปมหาสติปัฏฐานสูตรในด้าน กลับลดกําหนดรู้การ 3 สัมปชัญญะกําหนดรู้การปริกูลพิจารณาอาการ 5 ธาตุ 4 พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบอยู่ในธาตุ 4 คือธาตุ 6 นวสีที่เรียก นี่เป็นอันว่าๆ6 ขั้นด้วย 6 ขั้นนี้ถ้าจะว่า และรับคําแนะนําจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า องค์สมเด็จพระบรมโลกะเทศๆก็ๆเรียก หลายลายะสงฆ์ไข่กับกว่าจะเริ่มต้นเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมากกว่าคนดีในการที่จะมีวาสนา นับไปนับมานับปานับไปนับไม่ถ้วนเรียกว่าหนึ่งอสงไขยหรือ 2 อสงไขยอะไรก็ คนก็คือสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือคนก็บ้างไปเกิดเป็น ผู้สัตว์เดรัจฉานกับคนย่อมมีความปรารถนาเสมอกันนี่เปิ้นอนุวาทคนกับสัตว์มี ไม่พูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเป็น ที่จํากัดเขตให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของ แต่ระคราวเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า <c oughs> ต่อไปบทเป็นภิกษุณีฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมา จะตายในปฐมวัยก็ได้ไม่มัดในมัชฌิมวัยก็ได้ในปัจฉิมวัยก็ได้คือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์และส่ง ในๆด้วยความตั้ง 10 ครบมี 15 ครบมี 4 ครบเพียง วิริยะบุญเตญนิยสัมปจัญญะปฏิคูลทัสสีนวสี ต่างจุดในช่วงค้นฌานโลกิหรือว่า มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความ แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละ ท่านมีอยู่ก็ชื่อว่าท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยัง เกิดมาเสียชาติเกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็น ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันใจมันหนาเกินไปจั่วทั้งบุญข้อซิมก็ไม่ได้มันไหลมาทั้งวันละ 4 ถ้าสมมุติว่าท่านบรรจุมันลงฌามะลงนี่เราก็มีสอนก็นี่เราก็ 3 ปตตาจาราเถรีท่านฟังท่านเป็นอรหันต์นี่เราวนกันมาไปด้วยนิพพานให้ พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนั้นหลายจับไม่ โลกคนอื่นใคร แล้วมาเราก็มาสรุปๆเนี่ยก็ทําพร้อม นี่สําหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นเองเราจะจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะๆเรารู้หมด เอาอานาปานาเป็นตัวคุมเมื่อนาปามีทําให้จิตสงบตัวคือกําหนด ทรงรับรองว่าอานาปานสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญา ในร่างกายนี้เราเห็นก็สัตว์ตวะ 5 ถ้าปลดขันธ์ 5 ได้ก็เป็นอรหันต์นานาปานุสติอย่าง นี่มารวมในโยมการปฏิบัติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ทำพร้อมกับรู้กาย ด้วยการ 32 ของร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มบริด้วยความสกปรกเต็มบริด้วยความไฟเป็นสภาวะสกปรกนั้น ที่ตายมาแล้ววันหนึ่ง 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วันมีสีเขียวมีอาการอืดมีน้ำเหลืองไหลเหลือแต่หนังเหลือแต่ เส้นเอ็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆ แล้วก็โยนอานาปานุสติทิ้งไปมาจับวิริยาบทวิริยาบทรู้มั่งแล้วโยนทิ้งไปแล้วมาพอจะคล่องตัวแล้วก็จับบริกูลบริกูลพอคล่องตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุ 4 ธาตุ 4 พอคล่องตัวดี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกๆเค้าปฏิบัติรวมคือรวมกันคราวเดียวอานาปานุสติกรรมฐานประการเรื่อง ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านทั้งหลายยังทรงอารมณ์ การขึ้นเอาไหวทั้งหมดเราอยู่รเป็นสถิสั debut yā สั leave ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความจุก ร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นและวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมา นี่ท่านทําพร้อมกันไปนะไม่ใช่ มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสายของสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะทําแบบ คนดีชั่วอยู่แล้วไม่มีใครว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่น่าตำหนิทำไมจึงตำหนิเพราะว่าของปกตินี้เราสามารถเห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยด้วยอำนาจปัญญาสัมสามของเรา มี 6 อย่างนี้แต่ละอย่างทําได้เก่งอย่าง เพิ่งกายนอกกายคือกายของบบคุณอื่นมันเต็มประดีความสูกปลคมีกายไม่สองตัวมีความเกิดขึ้นและก็มีความเสี่ยมไปก่อนที่มันจะเสี่ยมขนาดที่มันเกิดมันก็เต็มประดีความสูกปลคในปฎิกุณบับพิเจรษณาทั้งอายการสำรวณ 사람들 เบื้องทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไป ถ้าไม่เสียสตางค์ซะบ้างมันๆนี่ผมจะ การนั่นก็ที่ชอบที่สุดก็นวสีตัดทังไปเลยเท่านี้พอแล้ว ไอ้อย่างอื่นก็จุ้งๆในกายานุปัสสนา คนดีก็เป็นอรหันต์นี่เค้าไม่ได้ศึกษากัน เมื่อจิตทรงตัวพิจารณาเห็นว่าเป็นของสักๆแล้ว มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ากลาง เมื่อแม้ขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าพึ่งแค่ว่าพึงอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าไป มีสภาพไปส่วนตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้น 5 ปราศจากโลภะความโลภ เราจะตัดเยื่อใหญ่ความเหตุร้ายสําคัญเสีย 3 ในกายคือความโลภความโกรธ เอาล่ะบรรดาพระภิกษุคาวจรทุกท่านสําหรับในมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานคือว่าใช้ปัญญาพิจารณาเห็นกายในกายเห็นกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่ เนนังยะยืนจะเดินจะนอนก็ตามอัตถิยอาศัยคุมประการคืออานาปานุสติกรรมฐาน เวลานี้ทําอะไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ปฏิกูลเห็นว่าร่างกายนี้ 5 ธาตุ 4 เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ 4 ธาตุน้ําผีมั้ย จึง